ส่วนที่หาการเผยแผ่ศาสนาหัวข้อแรกคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ศาสนาคุณสมบัติ6ประการถ้าจะถือตามแนวโอวาทปาติโมกท่านจะวางหลักสำหรับนักเผยแผ่เพราะท่านที่มาประชุมกันในวันนั้นจะออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาหลังจากรับโอวาทปาติโมกแล้วคือมีอยู่สามตอน ตอนแรกพูดถึงจุดมุ่งหมายนิบานังปรมังวดันติบุต ธ, ธาตอนสองพูดถึงหลักการสัพพปาปัสสะอกระนังตอนสามพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเผยแผ่ศาสนาหนึ่งอนุปวาโดไม่ว่าร้ายสองอนุปคาโตไม่เบียดเบียนกันทางกาย 3. ปาติโมเขจะสังวโรสำรวมในปาติโมก 4. มัตตัญยุตาจะพัตตสงรู้จักประมาณในอาหาร 5. ปันตันจะสยนาสนังเสพเสนาสนะสงัด 6. อธิจิตเตจะอายโยโคสัมมาสมาธิเริ่มต้นด้วยหนึ่งอนูปวาโดไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายผู้ใด ไม่ก้าวร้าวผู้ใดเผยแผ่ศาสนาด้วยความสุภาพนุ่มนวลพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแม้ว่าเขาจะมีทีท่าที่จะไม่เลื่อมใสศาสนาแต่ผู้เผยแผ่ศาสนาต้องไม่กล่าวร้ายไม่รุกรานไม่ให้ร้ายผมอยากลงไปถึงประชาชนด้วยผมจะแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่เกี่ยวกับผู้เผยแผ่าศาสนากับส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปซึ่งก็ควรจะปฏิบัติตามหลักอันนี้ด้วยโดยในชีวิตประจำวันจะต้องไม่กล่าวร้ายกันไม่ใส่ร้ายกันไม่พูดเท็จหักรานประโยชน์ผู้อื่นเช่นเป็นพยานเท็จในศาลหักรานประโยชน์ผู้อื่นให้เขาเดือดร้อนเป็นบาป คนในสังคมบางทีก็ใส่ร้ายกันบ้างป้ายสีกันบ้างว่าร้ายกันบ้างอันนี้ก็ควรจะเว้นควรจะอนุปวาโด้ด้วยเหมือนกันอนุปวาโดคือไม่ใส่ร้ายกันถ้าใส่ร้ายกันเรียกว่าอุปวาโดถ้าเป็นพระอนุปวาโดจะรวมไปถึงไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีที่เรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรม ถึงแม้จะมีก็ไม่ควรอวดเพราะว่าผิดพระวินัยไม่ทำอาจยากรรมทางวาจาคือรวมหัวกันใส่ร้ายนินทาว่าร้ายผู้อื่นจนเขาฆ่าตัวตายหรือบางทีพระเถระที่มีศีลมีธรรมก็ถูกใส่ร้ายก็เป็นอุปวาโดถ้าเผื่อท่านเป็นพระอริยะก็จะเป็นอริยุปวาทบาปหนักไม่พูดยกตนข่มผู้อื่น ถ้าจะแสดงธรรมก็ต้องเอาอย่างพระอ น, นุนแสดงธรรมล้วนๆไม่กระทบตนและผู้อื่นไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นในคุณธรรมของพระธรรมกะถือข้อหพูดไว้ชัดเจนว่าอัตตานันจะปรันจะอนุปหัจจะไม่กล่าวร้ายพระอริยะถ้าพูดให้ชัดลงมาอีกก็คือเว้นวจีทุจริตสีนั่นเอง เว้นจากการพูดเท็จที่เป็นไปเพื่อหากานประโยชน์ของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์มากมายเว้นจากพูดสอดเสียดยุยงให้คนแตกแยกกันด้วยความประสงค์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องร้ายในสังคมในบรรดาวจีทุจริตการพูดสอดเสียดมีผลร้ายมากเพราะมันทำให้แตกสามกีแล้วก็เป็นผลร้ายยิ่งใหญ่ ทำให้ตัวอุบาทลงที่ไหนที่แตกสามัคคีกันมากตัวอุบาทลงพระเจ้าอาชาติศัตรูท่งวัศการพรามกับสุนิธมหาอมมาตไปตีแคว้นวัชีก็ส่งสองคนนี้ไปยุโยงให้เขาแตกกันก่อนแล้วก็ยกทัพไปตีทีหลังก็ตีได้ถ้าชาววัชีไม่แตกกันก็ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสแบบ กันไว้ไม่ให้ไปโจมตีแคว้นวัดชีแต่ว่าบางคนก็ตีความไปว่าพระพุทธเจ้าเปิดทางทำนองนั้นความจริงพระพุทธเจ้าต้องการห้ามทับตลอดเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเตรียมทับที่จะไปตีแคว้นวัดชีพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปอยู่ที่แคว้นวัดชีตั้งหลายเดือนวนเวียนอยู่ที่แคว้นวัดชีแต่ไม่เสด็จเข้าเวสาลี เพื่อให้เห็นว่าไม่ทรงเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ไปอยู่เพื่อให้เป็นที่เกรงขามของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็ได้ผลตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าวนเวียนอยู่ที่แคว้นวัดชีพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไม่กล้ายกทัพไปโจมตีแคว้นวัดชีนี่เรื่องการยุยงให้แตกกันความเสื่อมจะปรากฏขึ้นดังนั้นควรเผยแผ่เรื่องอภริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระพุทธธรรมเหล่านี้แล้วเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวพุทธิเยวะพิกเวพิกขูนังปาติกังขาโนปริหานิหวังความเจริญได้อย่างเดียวความเสื่อมจะไม่มีเลยถ้าเผื่อว่าสามัคคีกันหมั่นประชุมกันพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกัรทากิจที่ต้องกระทำความสามาคัคคีมีจิตใจมั่นคงไม่หูเบาใครมาพูดให้ฟังก็ทำเฉยสะบ้างนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะประกาศศาสนานอกจากนี้มันแสดงถึงความมี EQ ดีคือมี Emotional Quotient เราเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ มีอารมณ์มั่นคงจิตใจมั่นคงหนักแน่นยุคปัจจุบันใจคนเปราะโดนอะไรกระทบหน่อยอารมณ์ก็พัดพาไปท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านบอกว่าพวกสุขยากทุกง่ายคือพร้อมที่จะทุกขแต่ไม่พร้อมที่จะสุขถ้านหนักแน่นเส้นหน่อยใครมาพูดอะไรให้ฟังก็ดูไปก่อนคือไม่ตัดสินทันที ไม่เชื่อทันทีไม่ลงความเห็นทันทีคือบางทีต้นต่อมาแบบหนึง่งแต่คนสื่อพูดอีกแบบหนึง่งมันไม่ตรงตามคนต้นต่อเขาพูดถ้าคนไม่มั่นคงไม่หนักแน่นเชื่อเลยทันทีก็เสียหายเรื่องวาจาจึงสำคัญมากต้องสำรวมวาจาให้พูดน้อยให้ฟังมาก บางทีคนบริสุทธิ์ไปโดนคนอุปวาโดเข้าบ่อยๆกลายเป็นคนเสียไปเลยน่าเสียดายที่เขาเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้นไปยิ่งมาถึงผู้เผยแผ่ศาสนาก็ยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องไม่กล่าวร้ายพุทธศาสนาถูกใส่ร้ายมากในสมัยของพระพุทธเจ้าเองแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ห้ามสาวกว่าไม่ให้ไปใส่ร้ายศาสนาอื่น ให้แสดงทมไปตามทมลองตั้งปัญหาขึ้นมาว่าคำนินทาเป็นวจีทุจริตข้อไหนเพราะถ้าคิดตามลำดับตัววจีทุจริตสี่ในมุสาวาทหนึ่งพูดเท็จสองพูดสอเสียดสพูดคำหยาบสพูดเพ้อเจอ้อ ถ้าดูว่าการนินทาคือการพูดถึงคนอื่นในเรื่องที่ไม่จริงก็เป็นมุสาวาทถ้าจะดูว่าเรื่องที่พูดนั้นไร้สาระก็เป็นสัมผัสปลาปะถ้าคำนินทานั้นทำให้คนเขาแตกกันก็เป็นปิสุนาวาจาเป็นการพูดสอดเสียดถ้านินทาด้วยคำที่หยาบคายก็เป็นพารุสวาจาก็เลยเข้าครบหมดเลย แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะเข้าตรงไหนอย่างไรถ้าสมมติว่าเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงก็พ้นจากมุสาวาสไปแต่ถ้าพูดแล้วทำให้คนเขาแตกกันก็เข้าปีสุนาวาจาเพราะเรื่องจริงบางอย่างก็ไม่ควรพูดทีนี้มองในมุมกลับเรื่องไม่จริงบางอย่างคือเป็นเรื่องที่ถ้าจะเอาองค์ของมุสาวาสไปจับมันก็เป็นมุสาวาส แต่ควรพูดก็มีเรียกว่าผิดศีลข้อมุสาวาตแต่ไม่บาปมีคนที่ร้อนใจเรื่องเป็นเพชฌฆาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมของพระสารีบุตรท่านก็ถามว่าโยมฆ่าเองหรือพระราชาให้ฆ่าก็ตอบว่าพระราชาให้ฆ่าถ้าพระราชาให้ฆ่าโยมก็ตั้งใจฟังธรรมเถิด อ, อย่าไปคิดอะไรมาก เขาก็ตั้งใจฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมบางระดับอย่างนี้ไม่เป็นมุสาวาทแต่ว่าเป็นอุบายให้เขาตั้งใจฟังธรรมในกรณีที่พูดจริงไปแล้วเกิดผลร้ายเช่นพูดจริงไปแล้วเขาทะเลาะ ก, กันกลับยอมพูดเท็จแล้วให้เขาดีกันควรจะเลือกพูดคำไหนลองคิดดูนะครับบางทีภาษาจริยศาสตร์เขาเรียกว่า p r i m a f a c ซีดิวเลือกทำสิ่งที่เหมาะที่สุดในเวลานั้นเช่นหมอรู้ว่าคนไข่อันตรายอยู่แต่ว่าพูดปลอบใจคนไข้ว่าไม่เป็นไรหรอกทำใจดีๆเดี๋ยวหายก็ได้ทั้งๆ ท, ที่ในใจหมอรู้ว่าไม่หายในกรณีนี้หมอพูดเท็จแต่ว่ามันเกิดผลดีแก่คนไข้คนไข้สบายใจและมีกำลังใจในการรักษา อาจจะหายก็ได้แต่ถ้าหมอพูดความจริงอาจเป็นอันตรายกับคนไข้มากถ้าเอาสุภาษิตของพระวังขีดสมาพิจารณาว่าท่านพูดว่าสัจเจอัตเทจะทำเมจะอหุสันโตปฏิทิตาสั์บุรุษทั้งหลายย่อมตั้งมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมมองในแง่กลับว่า ถ้าสัจจะนั้นไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมสัตบุรุษก็ไม่เอาคือถึงจริงก็ไม่พูดที่จริงประโยคเต็มคือสัจจังเวอมาตาวาจาเอสะธรรมโมสนันตโนสัจเจอเถจะทำเมจะอหุสันโตปฏิธิตาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายสัตบุรุษ ย่อมตั้งมั่นอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมถ้าสัจจะนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นธรรมก็ต้องระวังไม่พูดหรือพูดด้วยความระมัดระวังว่ามันไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมทหารถูกสอนว่าถูกจับเป็นเฉลยจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงถ้าพูดจริงตัวเองอาจจะรอดแต่ประเทศชาติไม่รอดแต่ถ้าพูดไม่จริงตัวเองไม่รอด แต่ประเทศรอดก็ต้องเลือกว่าจะเอาตัวไว้หรือเอาประเทศไว้อันนี้สําคัญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กับบุคคลส่วนใหญ่จะถือหลักมหาสุขหรือไม่ถือ The greatest happiness for the greatest people o r number ยอมสละตัวเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนจํานวนมากหรือจะยอมสละประโยชน์ของคนจํานวนมากเพื่อตัวเอง ถ้ายอมเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ก็ต้องได้รับการฝึกมาดีมัตตาสุขะปริจจาคาปเสเจวิปุลังสุขังยอมสละสุขส่วนน้อยเพื่อสุขส่วนใหญ่ของคนหมู่มากมีภาษิตบทหนึ่งว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทุกอย่างแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรม แต่คนส่วนมากสละแม้แต่ชีวิตเพื่อทรัพย์หรือว่าเพื่อสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดยอมสละสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไปตั้งแต่ต้นแล้วยอมทิ้งทำแม้แต่เพื่อทรัพย์ทั้งทั้งที่ทรัพย์นี่ควรสละเป็นอันดับแรกแต่คนส่วนมากก็ยึดไว้เป็นอันดับแรกสุภาษิต ท, ทางจริยศาสตร์บอกว่ายอมทุกทรมานเพราะการทำความผิดของผู้อื่น ดีกว่าไปทำผิดเสเองคือถึงคนอื่นเขาจะทำผิดแล้วทำให้เราเกิดความทุกข์ยังดีกว่าที่เราจะไปร่วมทำผิดด้วยจริยศาสตร์นี่เขามีอะไรดีๆผมให้ชื่อว่าเป็นาศาสตร์ที่ว่าด้วยความดีและเป็นาศาสตร์ของการตัดสินใจคือท่านจะแนะไว้ให้เยอะเลยว่าระหว่างนี้กับนี่คุณจะตัดสินใจทำอย่างไร บางคนบอกว่าเราก็ลำบากเห็นคนอื่นทำไม่ดีเป็นจํานวนมากเราก็ต้องทนทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราทำต่อไปทุกข์มันอาจจะไม่มีก็ได้บางคนตั้งประเด็นไว้อย่างนี้อันนี้อธิบายว่าต้องนึกอย่างนี้ว่าถ้าคนอื่นเขาคิดอย่างเราและก็ทำอย่างเราก็จะไม่มีใครสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเพราะว่าจะยอมอดทนอดกลั้นต่อกัน แต่ถ้าคิดตรงกันข้ามฟันต่อฟันตาต่อตาเขาแทงมาเราแทงไปทำนองนี้อย่างนี้ก็เดือดร้อนแน่พระพุทธเจ้าไม่นิยมพระองค์ตรัสว่านะิเวเรนะเวลานิสำมันตีทะกูดาชจนังอาจารย์ทองขาวเล่า ว, ว่าไปอ่านหนังสือท่านปรีชาพานิชวงศ์อดีตประธานสารดีกาท่านเขียนว่า ที่ประเทศหนึ่งมีคดีที่ช่างทาสีขึ้นไปทาสีที่ตึกสาสิบกว่าชั้นพลัดตกลงมาทับคนข้างล่างตายแต่คนที่ตกลงมาไม่ตายญาติผู้เสียหายก็ไปฟ้องศาลศาลไม่รู้จะพิจารณายังไงไม่มีตัวอย่างก็ไปดูคำพิพากษาของบาบิโลนที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันให้คนฟ้องขึ้นไปบนตึกสาสิบชั้น แล้วกระโดดลงมาใส่จำเลยโจทย์เลยยอมถอนฟ้องจริยศาสตร์ท่านจะแนะนําไว้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างดีกับดีอะไรมันดีกว่าเราต้องเพ่งพิจารณาอยู่เสมอหรือระหว่างชั่วกับชั่วอะไรมันชั่วกว่าคือถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องเลือกทำํำมันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ มันชั่วทั้งสองอย่างแต่ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเลือกทำที่มันชั่วน้อยถ้าดีกับดีก็เลือกว่าอะไรมันดีกว่าและอะไรมันดีที่สุดจริยศาสตร์จะดูบริบทดูงอนไขต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาคนหนึ่งกำลังจะเข้าสอบมีโทรเลขมาจากบ้านบอกว่าให้รีบกลับบ้านเพราะว่าแม่กาลังป่วยหนะัก นักศึกษาคนนั้นจะทำอย่างไรไม่สามารถจะทำสองอย่างพร้อมกันได้ต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องพิจารณาไปผู้หญิงคนหนึ่งขโมยขนมจะไปให้ลูกกินอันนี้เป็นเรื่องของดีกับถูไม่ใช่ดีกับดีทีนี้ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้มันก็ไม่ผิดแต่กฎหมายกำหนดก็เลยผิด สมมติว่าวัดหนึ่งไม่ได้วางกฎไว้ว่าไม่ให้พระออกจากวัดหลังจากสองทุ่มไปแล้วพระที่ออกจากวัดหลังสองทุ่มก็ไม่มีความผิดแต่อีกวัดหนึ่งวางระเบียบเอาไว้ว่าหลังสองทุ่มแล้วห้ามออกจากวัดพระรูปไหนออกจากวัดพระรูปนั้นผิดที่ว่าผิดนั้นผิดตามกฎแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดี เพราะท่านอาจจะออกไปเยี่ยมโยมซึ่งป่วยก็ได้ทำนองนี้ที่ผิดไม่ได้ไม่ดีแต่ผิดตามกฎของที่นั้น 2. ออนุปคาโตไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนการทางกายเวลานี้มีข่าวฆ่ากันมากเด็กฆ่าเด็กก็มีเยอะขึ้นต้องวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรอาจเป็นเพราะสื่อคนทำชั่วได้ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิม์ อาจเป็นแรงกระตุ้นให้คนคิดอย่างนั้นหรือการคิดเรียนแบบการกระทำในข่าวที่จริงน่าจะประกาศวัตชีอปาริหานิยธรรมให้การคุ้มครองสตรียกย่องสตรีตราบนั้นชาววัตชีจะไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญซึ่งน่าจะเอามาเผยแพร่กันให้มากขึ้นเวลานี้ผู้หญิงเก่งขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ถูกรังแกทางเพศมาก บางทีก็ถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวก็มีการเบียดเบียนทางชีวิตทรัพย์สินและทางเพศอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นขาดมีพุทธภาษิตเตือนเอาไว้ละพติหันตาหันตารังผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบเชตารางละพเตชยังผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ อาโกสโกจะอาโกสังผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบโรเสนตารันจะโรสโกผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบอันนี้ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันระวังไม่เอาชนะในทางที่ไม่ชอบธรรมไม่ดา่าไม่ประทุษร้ายกันปัจจุบันพวกขายยาบ้าก็คือประทุษร้าย ประทุษร้ายร่างกายประทุษร้ายสติปัญญาประทุษร้ายความเป็นมนุษย์พวกที่ติดยาบ้ามันสูญเสียความเป็นมนุษย์ถ้าผู้ที่เข้าถึงศาสนาในครอบครัวในสังคมต่างๆก็ถือหลักการไม่เบียดเบียนกันให้ถือศีลธรรมไม่ยึดถือวัตถุนิยมท่วมทน้นจนมาเบียดเบียนกันผมจะลงรายละเอียดลึกๆนิดหนึ่งหนึ่งเช่นว่า การฆ่าโดยวัตถุวัตถุก็คือคนที่ถูกฆ่าเช่นฆ่าคนที่ไม่มีความผิดฆ่าคนที่มีคุณมากเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้ทําอุปการะต่อสังคมอย่างนี้มีโทษมากวัตถุยิ่งมีคุณมากเท่าใดก็ยิ่งมีโทษมากเท่านั้น เพราะนอกจากจะฆ่าคนนั้นแล้วยังล้างผลาญผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้จากผู้นั้นด้วย 2. โดยเจตนาถ้ามีเจตนากลั่นแกล้งเช่นว่าเขามีความผิดเพียงเล็กน้อยเอาโทษถึงตายเพราะความไม่ชอบหรือว่าเพราะอาคติข้อใดข้อหนึ่งเช่นรับจ้างฆ่าคนเพราะอยากได้ทรัพย์อย่างนี้ถือว่าด้วยเจตนาและมีโทษมากสา โดยประโยคโดยการกระทาเช่นจะฆ่าแต่ทำให้ลาบากเสียก่อนเช่นทุบตีให้ได้รับพุกแสนสาหัสกว่าจะตายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปมากเวลานี้บางทีการฆ่านักโทษก็พยายามฆ่าโดยไม่ให้ทรมานนอกจากนี้ก็มีการทำร้ายร่างกายการทรมานเช่นการใช้คนหรือสัตว์อย่างไร้ความปราณี หรือว่าปล่อยให้อดอยากหิวโหยเอามากัดกันมาชนกันเพื่อความสนุกอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปหรือว่ากาักขังสัตว์ให้มันลำบากโดยที่มันหาความผิดไม่ได้นี่ก็เป็นบาปสมัยก่อนนิยมทำทรกรรมต่อคนที่มีความผิดเพื่อให้คนอื่นเห็นแล้วก็หวาดหวัน่นไม่ให้คนทำผิดอย่างนั้นเรื่องนี้ก็มีผลดีบ้างมีผลเสียบ้าง ผลเสียก็คือทำให้คนใจกระด้างขึ้นเห็นการทรามานจนเกิดความชาชินเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปการทรามานแบบนี้ไม่เป็นปานาติบาตโดยตรงแต่ว่าอนุโลมเป็นปาณาติบาตพระพุทธเจ้าก็พยายามให้คนทั้งหลายไม่เบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายกลัวต่ออาทยากลัวต่อความตายรักชีวิตของตน เมื่อทำตนให้เป็นเครื่องเปรียบแล้วก็ไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนอกจากฆ่าพ่อแล้วยังฆ่าแบบทรมานด้วยผ่าฝ่าเท้าเอาน้ําเกลือราดแล้วเอาไปย่างบนคานไม้ตะเคียนทารุณมากแล้วก็ทำกับพระอริยะด้วยนะครับเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบัน พระเจ้าอาชาติศัตรูหลีกบาปกรรมไม่พ้นทั้งๆที่ตอนหลังกลับตัวมาบำรุงศาสนามาอุปถัมภ์การสังขยันาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนเอาไว้ว่ามองดูไปทั่วทิศแล้วก็ไม่เห็นใครที่ไหนที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตนของผู้อื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเขารักตัวเหมือนกัน ฉะนั้นผู้รักตัวจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นถ้าในสังคมใดถือมั่นว่าไม่เบียดเบียนกันมันก็สงบสุขไปเยอะเช่นเราเสียใจอะไรก็ได้เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นโกรธก็ได้เพราะเรายังละความโกรธไม่ได้แต่ว่ายึดถือว่าจะไม่ทำร้ายใคร อีกเรื่องหนึ่งคือการทำร้ายเบียดเบียนทรัพย์สินกันก็อยู่ในสีลพ่ออาทินนาทานก็เดือดร้อนมากคนที่ถูกทำร้ายทรัพย์สินบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวที่สะสมมา1ิบ0ปีถ้าเรื่องเหล่านี้บรรเทาลงไปได้มากเท่าใดสังคมก็สงบสุขได้มากเท่านั้น 3. ปาติมโมกเขจะสังวรโ แปลว่าความสำรวมในปาติโมกคือเป็นผู้มีระเบียบ ว, วินัยดีปาติโมกนี่แปลว่าประธานหรือหลักที่นี้มาพูดถึงวินยัยพุทธศาสนาจัดไว้สองแบบคือวินัยภายนอกกับวินัยภายในตัวเองวินัยภายนอกคือข้อบังคับจากภายนอกวินัยภายในตัวเองคือความสำนึกให้มีวินัยในตัว โดยไม่ต้องมีข้อบงังคับจากภายนอกภาษาพระเรียกสมณสัญญาชาวบ้านก็เรียกจิตสำนึกที่ดีหรือสามัญสำนึกเช่นขับรถไปเจอไฟแดงก็หยุดแต่บางคนถ้าไม่เห็นตำรวจต่อไปเลยอันนี้เรียกว่าต้องมีวินัยจากภายนอกแต่ถ้าคนที่มีวินัยในตัวเองก็ไม่ต้องมีระเบียบจากภายนอกเรื่องนี้ต้องฝึกเอง เช่นการตรงต่อเวลาวินัยสองแบบอีกปริยายหนึ่งคือ 1. อนาคาริยวินัยวินัยของบรรพชิต 2. อ, อาคาริยวินัยวินัยของครวาห 1. อนาคาริยวินัยท่านระบุถึงการไม่ล่วงละเมิดอาบัตคือประราชิก4สังฆาทิเศษส3สอนิยตะสอง นิสักคียปาจิตตีสามสิปาจิตตีเก้าปาติเทศนียะสและเสขียะวัฏเจ็ 75. อนิยตานั้นไม่ใช่อาบัตแต่เป็นสิ่ขาบทไม่เป็นอาบัติเพราะว่าถ้าจะปรับอาบัตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นปราชิกหรือสังฆาธิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อนิยตะสองสิ่ขาบทนั้น เป็นสิกขาบทไม่ใช่อบับด์อานิยตะที่บอกว่าผู้โจดนั้นโจดยอย่างไรผู้ที่เชื่อถือได้ใช้คํ า, าว่าสัตเธยวัจจสาอุบาสิกาในหลักการเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสัตเธยวัจจสาอุบาสิกามหาอุบาสิกานี้มีวาจาเชื่อถือได้โจดอย่างไรก็ให้ปรับอังนั้น อันนั้นก็เป็นวิธีระงรับอธิกรณ์วิธีหนึ่งที่เรียกว่าปฏิญญาตากรณะในอธิกระสมถะเจตก็มีวิธีหนึ่งที่เรียกว่าปฏิญญาตากรณะคือให้ปรับอาบัติตามปฏิญญาของพิกษุผู้รับปฏิญญาและที่ว่าอุบาสิกาผู้มีวาจาพอเชื่อถือได้บอกอย่างใดก็ให้ปรับอย่างนั้นอันนี้ก็ปรารบเรื่องนาวิสาขา ท่านเป็นอริยะสาวิกาคือท่านไปเห็นพระนั่งคุยกับผู้หญิงในที่ลับมาถึงเวลานี้ถ้าจะหาสัจเธยะวจจาสาบาสิกาซึ่งหมายถึงอริยะสาวิกาแบบนางวิสาขาก็คงหายากเราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสรุปเรื่องอาบัติเจ็ดกองคือปราชิกสังฆาทิเศษทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะ ทุกกฎทุกภาษีอย่างเสขียวัตรทั้งหมดนั้นก็เป็นอาบัตทุกกฎเป็นส่วนมากบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคําว่าอาบัตรปราชิกสังฆาธิเศษเป็นต้นก็ขอพูดสักหน่อยอาบัตรปราชิกนั้นคือภิกษุต้องอาบัตรปราชิกแล้วก็ขาดจากความเป็นภิกษุแปลตามตัวก็เป็นทำผู้ที่ต้องอาบัตให้พ่ายแพ้คือขาดจากความเป็นภิกษุ มีสี่ข้อเช่นฆ่าคนได้เจตนาเศตเมถุนเป็นต้นสังคาทิเศตแปลว่าหมวดอาบัตที่ต้องการสงในสังฆกรรมเบื้องต้นและสังฆกรรมที่เหลืออาทิแปลว่าเบื้องต้นเศษะคือที่เหลือก็แปลว่าอาบัตที่ต้องใช้พระสงฆ์ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายอันนี้ก็มีพิธีกรรมมากมาย ที่จะออกจากอาบัตสังคาทิเศษทุลัดใจแปลว่าชั่วยาบคือจะอยู่ระหว่างปาจิตตีกับสังคาธทิเศษอย่างเช่นว่าภิกษุตั้งใจจะทำน้ำอาสุจิให้เคลื่อนเป็นอาบัตสังคาธทิเศษทีนี้ถ้าไม่ตั้งใจขนาดนั้นเช่นว่าจับอวัยวะเพศด้วยความกาหนัดก็เป็นอาบัตทุลัดใจคือน้อาอสุจิยังไม่เคลื่อน หรือว่าจับต้องกายหญิงก็เป็นอาบัติสังฆาทิเศษแต่ถ้าไม่จับต้องกายโดยตรงเช่นของเนื่องด้วยกายเช่นสวมถุงมือแล้วจับตัวเขาหรือว่าจับของเนื่องด้วยกายคือมันติดอยู่กับกายเขาทานองนี้มันไม่ถึงสังฆาทิเศษแต่เป็นทุลัจใจ <quello> การออกจากอาบัติทุลจใจนี <asses> ้ปรงได้ทุลจยาอาปติยา เป็นเทศนาคามินีตั้งแต่ทุลัจใจไปถึงปาจิตตีใช้วิธีแสดงซึ่งเรียกปรงอาบัติปาจิตตีตามตัวอักษรแปลว่าการล่วงละเมิดที่ยังกุศลให้ตกไปเป็นเรื่องของอาบัตชนิดหนึ่งในประเภทนี้เรียกเต็มว่าสุทธิกะปาจิตตีมี92สิกขาบทอีก32บทเรียกนิสักคิยปะปาจิตตี อันนี้ต้องสละสิ่งของจึงโปรงอาบัตตกเช่นไปรับบิณฑบาตได้อาหารแห้งมาแล้วก็ต้องเอามาสละให้สามนเณรหรือเด็กวัดสละนี่คือนิสัคยะแปลว่าสละสละแล้วก็ปรงอาบัตปาจิตตีถ้าไม่ฉันให้หมดในวันนั้นถ้าฉันไม่ได้ต้องเสียสละต้องบอกให้คนอื่นให้พระด้วยกันไม่ได้ ปัจจุบันนิยมให้ใส่บาตรอาหารแหง้งถ้าเราทำถูกวิธีก็ไม่เป็นไรเช่นไปกองไว้แล้วมอบให้ไม่ต้องให้ท่านรับประเคนถ้ารับประเคนแล้วต้องฉันให้หมดบางอย่างไม่สมควรรับด้วยเช่นข้าวสารนี่รับไม่ได้เพียงแต่เอาไปตั้งแล้วกล่าวมอบก็เป็นอันว่ารับแล้วแต่ถ้าเป็นอาหารแหง้งก็เก็บไว้ไม่ได้ถ้าเก็บไว้ก็เป็นปาจิตตีต้องสละ มันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวชั่วการตั้งแต่เช้าถึงเพนทํานองนี้นะครับนิสักคิยปาจิตตีจีวร อ, อะไรก็เหมือนกันถ้าได้มาโดยไม่ถูกต้องตามวินัยแล้วก็ต้องมาสละให้ผู้อื่นให้สามนเณรหรือเด็กไปสละแล้วถึงจะโปรงอาบัตได้ถ้ายังไม่สละก็โปรงอาบัตไม่ได้นี่คือนิสัคิยปาจิตตี ที่จริงก็เป็นปาจิตตีนั่นแหละแต่ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งของต้องสละจึงมีคํานําหน้าว่านิสักคียาปาจิตตีก็รวมทั้งหมดเป็น122สิกขาบทนิสักคียนี่ไม่ใช่ตัวอาบัตแต่เป็นสิ่งของที่จะต้องสละยกตัวอย่างเช่นภิกษุขอจีวรต่อคาเรหัดผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสักคียาปาจิตตี เว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอได้คือเวลาที่ภิกษุถูกโจรลักจีวรไปหรือว่าจีวรเสียหายไปอย่างนี้ขอได้ในกรณีที่พระมีจีวร อ, อยู่แล้วมีญาติโยมที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ใช่ปวารณามาถวายเพิ่มอีกก็รับได้แต่ต้องทำให้เป็นของสองเจ้าของหรือเป็นของกลางนั่นเองแต่ว่าส่วนมากเวลานี้ที่ทำกันคือทาวิกบก คือบอกว่าจีวร น, นี้ผมได้มาแล้วขอให้ท่านแต่ว่าท่านที่รับแล้วก็คืนให้ก็ใช้ได้ต่อไปทุกกฎนั่นแปลว่าไม่ดีไม่งามทําอะไรไม่ดีไม่งามปรับอาบัตทุกกฎหมดไม่เหมาะไม่สมยังเสขียวัตรการฉันการใช้จีวรการแสดงธรรมการทำเสียงพนาฉันการเข้าบ้านถ้าไม่เหมาะสมก็อาบัตหมด การพูดเล่นสวนเสเฮฮาเหล่านี้ก็เป็นอาบัตทุพภาสิทุพภาสิทธิแปลว่าพูดไม่ดีการเล่านิทานก็ต้องสํารวมถ้าตลกพนองไม่สํารวมก็เป็นอาบัตทุพภาสิทอาณาคริยวินายวินายของพระวินายของผู้ไม่ครองเรือนบางแห่งท่านว่าไว้แรงเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า บริโภคก้อนเหล็กแดงที่ลุกเป็นไฟยังดีกว่าภิกษุทุศีลไม่สำรวมบริโภคบินทบาตของชาวเมืองก็ปรารพเรื่องภิกษุชาววัคคุมุธาที่อยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาที่ช่วยกันอวดอุตริมนุสธรรมที่เรียกว่าอัครมหาโจรพวกที่ห้าก็มีชาวบ้านเดือดร้อนกันมากที่เห็นพระทุศีล แต่ที่จริงถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความการุณาเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านถ้าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือเป็นคนทุจริตถ้าเราเห็นเขาก็ควรจะสงสารเขาเป็นที่ตั้งแห่งความการุณาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้แผ่กรุณาให้กับคนที่ลำบากกำพร้าขัดสน พ, นพิการ ถ้าไม่มีคนเช่นนั้นก็ให้แผ่ความการุณาไปถึงผู้ที่เป็นคนชั่วเพราะคนชั่วหาความสุขได้ยากนะหิตตังสุลพังโหติสุขังรุกตะการินาคนชั่วหาความสุขได้ยากท่านสอนอย่างนี้เพื่อไม่ให้ไปรุนแรงกับคนที่ไม่ดีด้วยอาศัยความการุณาคิดสงสารเขาว่าทำอย่างไรเขาจึงจะพ้นความชั่วได้ทำนองนี้นะครับ เพราะปุถุชนก็ยังบกพร่องกันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่บกพร่องทางนี้ก็ไปบกพร่องทางโน้น perfection หายากเจอพระไม่มีศีลก็ให้กรุณาแต่ว่าไม่ใช่ไปส่งเสริมนะครับในวัดแห่งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งที่ขโมยพระที่อยู่ด้วยกันก็ค่อนข้างเดือดร้อนรวมกันทำบัญชีหางว่าเพื่อขอให้ไล่พระรูปนี้ออกไปจากวัด ถ้าไม่ไล่ออกไปพวกเขาก็จะออกไปหมดเลยเจออ้าอาวาสท่านบอกว่าก็ดีที่เสนอชื่อกันเข้ามาแต่ว่าพระรูปนั้นยังไม่ดีให้อยู่กับฉันก่อนแต่พวกคุณดีแล้วก็ออกไปได้ถ้าจะออกไปอันนี้มองอีกแง่คือเอาคนชั่วไว้มองอีกแง่หนึ่งคือท่านมีความการุณาฉะนั้นเวลาเห็นคนไม่ดีก็พยายามช่วยเหลือให้เขาเป็นคนดีขึ้น ถ้าอย่างไรก็แผ่กรุณาไว้ก่อนว่าทําอย่างไรเขาจะดีขึ้นมันอาจจะทําให้คนชั่วได้ใจก็ได้แต่บางทีเขาอาจจะเห็นคุณงามความดีแล้วอาจจะกลับใจบางคนรู้ว่าเขาให้อภัยนี่ประทับใจลงกราบเลยใครๆเขาพากันรังเกียจแต่มีท่านผู้นั้นเมตตาก็ปฏิญาณตัวกลับเป็นคนดีอย่างนี้ก็มี เรื่องนี้แล้วแต่คนและแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนว่าคนไหนควรจะฝึกอย่างไรอันนี้สำคัญมากถ้ารู้วิธีฝึกสำหรับแต่ละคนได้ก็จะสำเร็จประโยชน์แต่ถ้าไม่รู้วิธีฝึกก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ในสมัยพุทธกาลพระที่เลอเทอที่สุดคือพระโลลุทายีท่านชื่ออุทายีแล้วมีนิคเเนมว่าโลละมารวมเป็นโลลุทายี คือโลเลเลเทอท่านทำอะไรทุกอย่างเลยที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทผิดนั่นผิดนี่โลลุทายีแทบทั้งนั้นสังคาทิเศษสิบสามสิกขาบทนี่พระโลลุทายีเป็นต้นบัญญัติไดเยอะเลยและยังมีอะไรพิเรนที่ยังสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไล่ศึกพระองค์ก็สอนไปบัญญัติวินัยไป ผลที่สุดพระโลลุทายีได้บรรลุเป็นพระอระหันต์นี่คือพระองค์มีความการุณาสูงมากตัวอย่างในธรรมบทเรื่องจุลบันโถกอันนี้ก็ถูกพี่ชายไล่ศึกบวชหลายปีแล้วจำทาสองบรรทัดไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกรุณามากไปดักอยู่หน้าวัดเอามือรูปศีรษะจุลบันโถกไปอยู่กับเราไม่ต้องศึก ก็ให้ผ้าขาวผืนหนึ่งไม่ต้องท่องอะไรมากพระโชหารานังผ้าเปื้อนฝุน่นผ้าเช็ดทุลีเช้ายังไม่ทันถึงเพลงจุลบันถกก็สำเร็จอรหรันถ้าไม่ได้ความการุณาของพระพุทธเจ้าพระจุลบันถกก็ไม่มีทางจะบรรลุได้เรื่องพวกนี้ก็พิจารณาเป็นเรายไปนะครับพระวกัลลิที่ติดใจในรูปโฉงของพระพุทธเจ้าก็ได้สาเร็จอรหรัน ในพระไตรปิฎกกับในธรรมบทเล่าไม่เหมือนกันในธรรมบทเล่าว่าท่านขึ้นภูเขาจะไปกระโดดฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าแผรัสมีไปเรียกวัากะลิมาเถิดมาเถิดเอหิวักะลิเอหิวัะลิมาเถิดอย่ากลัวเลยท่านดีใจใหญ่ได้ปีติปราโมทเหมือนตัวลอยแล้วก็ได้สำเร็จ แต่ในพระไตรปิฎกเล่าว่าท่านจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปไม่ถึงเป็นอามภ่ า, ากลางทางให้เพื่อนให้ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางล่วงหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลพระพุทธเจ้าว่าจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าการตายของวัคลิไม่เลวทีเดียวณป่าปกังเตมรารณังภิกษุทั้งหลายก็กลับไปหาพระวัคลิ พระวกกะลีก็ฆ่าตัวตายและได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ชีวิตตสสัสมัตสีสีได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์พร้อมได้สิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตําหนิว่าการตายของเธอไม่เร็วทีเดียวก็เป็นเรื่องแปลกแต่ในอัถกถาธรรมบดเล่าไว้อีกแบบหนึง่งไม่ได้ฆ่าตัวตายก็แปลกนะครับไม่ทราบเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีหลายรูปที่ท่านปรารพอย่างนี้แล้วท่านก็ฆ่าตัวตายแล้วพระอัครส า, าวกก็ห้ามไม่ได้อย่างพระฉันนะไม่ใช่ฉันนะองค์ที่เป็นลูกน้องพระพุทธเจ้าตอนออกบวชนะครับนี่อีกรูปหนึ่งท่านก็ปรารพจะฆ่าตัวตายพระสารีบุตรมาขอร้องท่านก็ไม่ฟังพระสารีบุตรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตราสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตร ก็ฉันนะบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายโดยประการที่ไม่ให้เราตำหนิสารีบุตรเราตำหนิผู้ที่ทำลายกายนี้แล้วไปถือตายอื่นถ้าทำลายกายนี้แล้วไม่ไปถือเอากายอื่นเราไม่ตำหนิพระองค์ทราบอุปนิสัยของพระฉันนะเพราะอยู่กับพระองค์มานานมีคนถามท่านเจ้าคุณพระธรรมบิดกว่าพระที่ฆ่าตัวตายเป็นอรหันได้อย่างไร เพราะการคิดค่าตัวตายเป็นอกุศลท่านตอบว่าใช่ตอนนั้นเป็นอกุศลแต่เอาความเจ็บปวดทรมานตอนนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานท่านพุทธทาสบอกตกกระไดพลอยโจรคือเอาให้ได้ตอนนั้นเป็นชีวิตต่ดสมัสีสีคือสำเร็จอรหันพร้อมกับสิ้นชีวิตมันต้องสำเร็จก่อนนิดนึงนะครับเพราะถ้าตายก่อนก็ต้องไปถือชีวิตใหม่ มันก็เป็นเรื่องแปลกแต่เป็นวิสัยของท่านเหล่านี้เราก็ไม่ทราบจะวิจารย์ยังไงอย่างกรณีพระฉันนะผมก็แปลกใจพระสารีบุตรมานั่งเทศท่านก็บอกว่าท่านครับผมก็รู้ผมอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามานานแล้วแต่ว่าผมจะฆ่าตัวตายโดยประการที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิพระสารีบุตรท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในแง่ของการที่ทำแล้วเป็นอาบัติความเคยชินต่างๆบางทีก็ทำให้ดูยากเช่นพระเอากล้องไปถ่ายรูปก็ไม่รู้สึกว่าผิดอะไรแต่จริงๆแล้วก็ผิดไปแล้วคืออย่างสูบุรีแต่หน้าญาติโยมก็ไม่เหมาะสมสรุปคืออนาคาริยวินยัยท่านระบุถึงการไม่ด่วงละเมิดอาบัติเจกองนะครับ ทีนี้ถ้าเผื่อล่วงละเมิดกองใดกองหนึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายยิกธรรมคือเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันตรา ย, ยิกธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ห้าอย่างหนึ่งตัมหมายถึงการล่วงละเมิดอนันตริยกรรมหแล้วการไปสวรรค์ไปนิพพานก็เป็นอันไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางไปได้ 2. กิเลส ท่านหมายถึงนิยตามิจฉาทิฏฐิสาอยา่างคืออกิริยทิฏฐิการเห็นว่าทำบาปไม่เป็นอันทรรมทำบุญก็ไม่เป็นอันท ร, ร ม, มีความเห็นแน่นอนว่าบาปบุญไม่มีไม่ต้องพูดถึงเป็นเหตุบังเอิญทั้งนั้นอเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าชีวิตของตนการที่จะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย บังเอิญเหมือนกันนักิกาทิฏฐิความเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการทำความดีไม่มีผลผลดีผลชั่วอะไรก็เกิดขึ้นเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรอันนี้เรียกว่านักิกาทิฏฐิไม่มีผลดีผลชั่วที่บุคคลกระทาถ้ามีทิฏฐิสามอย่างนี้ดิ่งลงไปแน่นอนเรียกว่านิยตะตามิฉาทิฏฐิ อันนี้เป็นอันตรายยิกธรรมเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมคือเป็นกิเลสวิบากนี่เป็นอันตรายยิกธรรมเหมือนกันคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุคุณงามความดีต่างๆถ้าจะพูดอีกปริยายหนึ่งคือคติวิบัติคือได้กำเนิดไม่ดีเช่นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือในตำราท่านยกตัวยอย่างเช่น แม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นกระเทยก็เป็นคติวิบัติถ้าไปเกิดเป็นงูเป็นไก่ก็ยิ่งชัดขึ้นในชาตินั้นก็เสียไปชาติหนึ่งเลยสิ่งที่ทำอันตรายคือวิบากของกรรมสีอุปวาทะย่อมาจากอริยุปวาทะคือการกล่าวร้ายใส่ร้ายพระอริยะถ้าท่านยังไม่อดโทษยังไม่รู้สึกตัวไม่ขอขมา ก็ยังทำอันตรายอยู่คือเป็นอันตรายยิกรรมไม่สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ 5. อานาวีติกะมะการล่วงศิขาบทสำหรับพระภิกษุการล่วงศิขาบทเจ็ ก, กงองตามที่กล่าวแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำคืนตามวิธีนั้นๆเช่นเป็นอาบัติสังฆาธิเศษแล้วก็ยังไม่ได้อยู่กรรมยังไม่ได้อยู่ปริวาา เป็นอาบัตปาจิตตีก็ไม่ได้ปรงอาบัติอาบัติสังฆาทิเศษสมมติเป็นพระที่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษยังไม่ได้ทำคืนสึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ก็ต้องอยู่กรํมแต่ถ้าไม่กลับมาบวชใหม่ก็เป็นอันแล้วกันไปคือไม่เป็นอันตรายต่อการบรรลุแต่พอสึกมาแล้วสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลได้ไม่ทำอันตราย แต่บาปในขณะที่เป็นพระนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นปราชิกถ้าศึกแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปคือไม่ทำอันตรายที่ว่าตานยอดด้วนคือกลับไปบวชใหม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามสวรรค์นิพพานแต่ว่าห้ามเฉพาะยังบวชอยู่ไม่ได้ทำตนให้บริสุทธิ์ตามวิธีเช่นพระองค์มีระเบียบไว้ว่าเป็นปราชิกแล้วต้องสึก การศึกนั้นคือการออกจากอาบัติปราชิกถ้ารู้ตัวว่าเป็นอาบัติปราชิกก็สึกเสียแล้วอันตรายยิกธรรมก็พ้นไปหายไปแล้วก็สามารถที่จะไปสวรรค์ได้สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้ายังบวชอยู่ก็ไม่ได้มรรคผลแน่นอนผู้ที่ทำบุญด้วยก็ได้บุญน้อยฉะนั้นเป็นปราชิกก็ศึกเสียแล้วไปบาเพ็ญอุปาสการธรรมธรรมของอุบาสุ บางพวกก็ได้บรรลุโสดาบันบางพวกก็ได้บรรลุสักกิทาคามีบางพวกก็อนาคามีแต่ไม่ได้พูดถึงอรหันต์ยังในอัคขิขันโทปมัสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเปรียบเหมือนกองไฟว่าการล่วงอาบัตจะร้ายแรงเหมือนเข้าไปกอดกองไฟมีภิกษุหลายพวกฟังอยู่บางพวกเป็นอาบัตปราชิกก็ศึกไป บางพวกเป็นอาบัต ส, สังฆาทิเศตก็ทำคืนเสียบางพวกเป็นอาบัตเล็กอาบัตน้อยรู้สึกตัวก็ปรงอาบัตบางพวกมีศีลบริสุทธ์ก็ได้บรรลุมรรคผลพูดที่ศึกไปก็ตั้งอยู่ในอุปาสกะธรรมคือบาเพ็ญธรรมของอุบาสกเช่นถือศีลห้าศีลกรรมบทสิบก็ไปสวรรค์บ้างได้เป็นโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้าง อาาคามีบ้างฉะนั้นการล่วงอาบัตเหล่านี้เป็นอันตรายยิกธรรมเฉพาะที่ยังปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุเท่านั้น